วันนี้เป็นวันที่สิเกมิถุนายนพุทธศักราช25งพ้าห้าสิบห้าเป็นวันอุโบสถขึ้นค่ำหนึ่งเดือนแปเป็นวันอุโบสถพวกเราลงอุโบสถเป็นปักตกวันนี้แต่เมื่อวานเป็นวันพระแลมสิบสี่ค่ำแต่ปักอุโบสถเราตกวันที่หนึ่งวันนี้พวกเราได้ลงอุโบสถ เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นี้นกระโจนจะเข้าพรรษาอีกไม่นานกายให้หมู่ทุกองค์ที่อยู่ณที่นี่ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้ล่วงหน้าวางแผนไว้ล่วงหน้าว่าปีนี้ที่จะจําพรรษาวันที่สามสิงหาเนี่ยกาจะว่านานก็นานคนที่วางแผนล่วงหน้า ก็จะว่าไม่นานแต่พวกไม่มีการวางแผนอยู่เป็นวันๆไปก็ไม่รู้ว่าจากนานหรือไม่นานแต่การวางแผนด้วยความคิดไว้ก่อนดีกว่าเราจะอยู่ณสถานที่ใดเพราะพันษาเป็นสิ่งที่จาเป็นสาคัญถ้าาว่าพวกเราไม่ได้วางแผนเอาไว้พันษาหนึ่งผ่านไปเหมือนกับเราอยู่สามเดือนเหมือนกับอยู่หลายปีแต่ถ้าว่าพวกเราอยู่ด้วยความผาสุก อยู่ด้วยความตั้งใจอยู่ด้วยความเชื่อมั่นได้คิดดีแล้วจึงค่อยอยู่จำพรรษาพวกเราจะมีความผาสุกในใจอยู่แบบผาสุกพอได้คิดไปแล้วได้ดูแล้วได้ตั้งใจไปแล้วปีนี้จะจำพรรษาที่ไหนที่นี่หรือที่ไหนอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆท่านคิดให้ดี แต่อยู่นสถานที่ใดก็ตามผมขอเตือนย้ำว่ามันอยู่กับตัวของเราทั้งหมดถ้าเรามีหลักจิตหลักใจแล้วเราอยู่นสถานที่ใดก็ดีพอเราได้รับการศึกษาดีแล้วอยู่ที่ไหนก็ดีแต่ถ้าว่าเรายังหลักจิตหลักใจของเรายังไม่มั่นคงยังโยกโยกคลอนครอนอยู่เราก็ต้องหาหลักจิตต้องหาครูบาอาจารย์หรือหมู่พเพื่อน เป็นหลักยึดทางด้านจิตใจแต่ถ้าว่าพวกเรามั่นแล้วเชื่อแล้วในหลักพระธรมินยัยปักจิตปักใจแล้วในศาสนาพุทธศาสนาไม่โยกคลอนแล้วอันนั้นคือมั่นใจจากนั้นพอเราก็พยายามไปหาเสา ะ, ะแสวงหาที่มุมสงบตรงที่สงบสงัดถึงยังไงหลักธรรมวินยันยเป็นเรื่องของอยากที่เราได้ศึกษา เราได้เรียนรู้แล้วเราคนมีจะมุ่งมั่นตั้ง อ, อกตั้งใจในภาคปฏิบัติเรื่องจิตถภาวนาอันนั้นแปลว่าผู้มีหลักแต่ถ้าว่าพวกเราบวชเข้ามาใหม่ยังไม่มีหลักพวกเราก็ต้องอดทนศึกษาอยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องหลักธรรมวินัยส่วนหนึ่งเรื่องกฎระเบียบส่วนหนึ่ง เรื่องสิ่งแวดล้อมที่จะมาเข้ามาสู่วัดวาศาสนามีหลายสถานะพวกที่ก็มาเกี่ยวข้องเราก็จะได้เรียนรู้ชีวิตประจำวันพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดาเนินอย่างไรอันนี้ก็คือเราต้องต้องศึกษาอันนี้เปลว่าใหญ่กับพ่อก่อกับครูแต่ถ้าเาพวกเราไม่ได้ศึกษาตัวนี้ให้ชัดเจนเมื่อเราออกไป เราก็จะทำตามอัตถาใจทําตามอําเภอใจอยากจะพูดอยากจะทําแต่นั้นมันไม่ใช่หลักธรรมวินัยมันใช่แต่รับได่เป็นบางคนแต่เราเป็นพระสาธารณะเราต้องมองดูตนเองว่าการกระทําอย่างนี้สาธารณะชนหรือหมู่พวกเพื่อนครูบาอาจารย์ยอมรับได้ไหมสิ่งเหล่านี้เราก็ต้องได้คิด เพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของเราคนเดียวเป็นศาสนาทุกคนผู้นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ว่าเป็นสาธารณะผู้นับถือพกพุทธศาสนาผู้ใดเป็นอยู่ในกลุ่มพุทธบริษัทสีเขาจะต้องมองดูกันว่าการกระทาอย่างนี้มันถูกไหมแต่ตัวเองกะว่าถูกอยากจะพูดอยากจะทำอยากจะแสดงอะไรออกไป นักลงนักเลนหรืออะไรออกไปลักษณะอย่างนี้แต่มันเป็นวงกว้างออกไปแล้วผู้ที่เห็นก็เกิดความประมาทก็มีไม่เลื่อมใสก็มีไม่ศรัทธาก็มีไม่เลื่อมใสมจาจจทาเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของขา้าแต่ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ศาสนาของเราคนเดียวอย่างที่ว่าถ้าเราอยากจะทำอย่างนั้นเราก็ต้องหนีออกไปอยู่ตามลาพังไปอยู่ตามลาพัง เราจะทํำยังไงก็ได้เพราะเราไม่เห็นไม่ให้ใครรู้ใครเห็นแต่เราเยอะมาอยู่ในชุมชนและสังคมอยู่ในพุทธบริรษัทสี่พระพุทธเจ้าบัญญัติหลักพระธรรมวินัยไว้อย่างไรเราควรประพฤติปฏิบัติตามหลักพระธรรมวินยัยหรือตามธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือตามธรรมคําคสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดําเนินนี่แหละอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายดําเนินตามหลักธรรมคำสอน เมื่อเราเป็นหลักมีกฎมีเกณฑ์แล้วพวกเราจะออกไปอยู่ตามลำพังก็ได้ไม่มีอะไรอย่างผมอย่างเนี้ยผมเองไม่ได้ตำหนิตนเองในการอยู่ศึกษากับพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่สมัยผมเป็นเนนผมก็อยู่เป็นเนนทั้ง8ปีอยู่ขงลุงปูละจากนั้นผมก็ได้ปวดเป็นพระอยู่กับท่านอีกหนึ่งพรรษา เป็น9ปีอยู่กับหลวงปูล่ลาจากนั้นก็ออกมาอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่จามหลวงปู่แหวนสุจินโนดอยแม่ปังแล้วก็หลวงปู่จามอีกรวมแล้วเป็น 4, สี่พันษาสี่พันาบวก8 4, ปดสี่สิบสองปีจากนั้นมาอยู่กับองค์หลวงตามหาบวัวตั้งแต่2512ถึง2 5งพสบยี่สห้า เป็นเวลาสิบสี่ปีสิบสี่พรรษาสิบสี่บวกสิบสองเป็นเท่าไหร่อันนี้คือผมอยู่ศึกษากับครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นผมเลยออกจากที่นั่นแล้วพงก็มาอยู่ที่นี่ถึงจะมาอยู่ที่นี่ก็เถอะพวกหมูรุ่นอายุที่มาอยู่ที่นี่ขณะที่หลวงตายั ง, งทรงธาตุทรงขันอยู่หลวงตาก็มาโปรโดพวกเราเราก็เข้าไปหาหลวงตา ไม่เว้นแต่ละเดือนว่าอย่างนั้นก็ไม่น่าจะผิดบางทีเดือนหนึ่งสองครั้งก็มีเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยเพื่อเข้าไปรับรู้รับทราบเพื่อการอบรมเพื่อการศึกษาเพราะฉะนั้นการที่จะกระทําสิ่งใดก็ตามในวัดของเราเราจะไม่ทามําตามอําเภอใจตามมัทธาใจเพราะท่านเข้ามาเยี่ยมเยียนอยู่บ่อยๆเพื่อไม่ให้กระเทือนใจของท่านถ้าเราทําอะไรทางด้านวัตถุท่านจะติติงว่า เน้นไปในทางวัตถุมากจนเกินไปสิ่งเหล่านี้เมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ต้องฟังทำคําสอนของท่านทําเมื่อท่านจากไปแล้วอันนี้เพื่อเราเราก็ต้องคิดอีกว่าอีกเหมือนกันว่าเราจะทําสิ่งไหนที่มันเกินไปที่ท่านมาและท่านจะตําหนิดได้ไหมที่ท่านไม่พอใจอย่างมากอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังแต่ว่าสิ่งไหนสิ่งนี้ดูแล้วก็ไม่เกินไป พร้อมที่จะทําได้ท่านตน้องตําหนิแน่เพราะท่านตาหนิการก่อสร้างแต่ท่านคงจะไม่ตําหนิมากถ้าท่านเห็นแล้วก็คงจะเลยๆ เ, เฉยๆไปอันนี้เราก็ต้องมาคิดอีกเหมือนกันเพราะเราเคยอยู่กับท่านรู้อากับกิริยาหรือว่าการกระทําของท่านท่านชอบไม่ชอบอย่างไรอันนี้แหละคือการอยู่กับครูบาอาจารย์เว่าอยู่ก็ใหญ่กับพ่อกอกับครูเพราะฉะนั้นขอให้พวกท่านทั้งหลาย จะประพฤติปฏิบัติอย่างผมไม่ได้แต่ถึงยังไงพวกท่านก็ต้องมองไว้เหมือนกันไม่ใช่ว่าอยู่ไปหน่อยหนึ่งก็ออกไปแสดงตนโดยที่ไม่ได้ศึกษาตามแนวแถวของครูบาอาจารย์พอจากนั้นไปกันเลื่อนๆลอยๆเลอะเลอื่อน ๆ, นๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านที่บวชมาในพระพุทธศาสนาให้พวกเราตั้งใจและก็ปฏิบัติศึกษากฎระเบียบ หลักพระธรรมวินัยตามที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้บอกได้กล่าวเอาไว้จากนั้นในภาคปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันอย่าให้ขาดตัว ก, กพ้องอย่างพวกเราอยู่ด้วยกันพระเกือบ4ี่สิบรูปเราทำกิจวัตรประจำวันเราไม่ใช่จะมาปัดกวาดแต่บริเวณศาลาเราปฏิบัติปัดกวาดมาจากกุติของเราที่ไหนมันลกเราก็ต้องพยายามช่วยกันดู ี่ผมเห็นนั่งรถผมเดินไปเป็นบางครั้งเดินลาดตะเวนไปบางแห่งถนนบางเส้นรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ปัดกวาดนานแต่ผมก็ไม่ว่าบางทีฝนตกมันพื้นยังแช่อยู่ยังปัดกวาดลำบากแต่ถึงยังไงในเมื่อมีโอกาสพวกท่านทั้งหลายก็ควรจะคิดว่าพวกเราอยู่ด้วยกันมากมายหลายองค์อันนี้แหละคือข้อวัดปฏิบัติทาความสะอาดถ้าสะอาดกาย อยู่ที่ไหนก็รื่นไม่ใช่ว่าเดินไปว่าใบไม้กิ่งไม้เต็มถนนไปหมดกิดเปินไปอย่างนั้นแหละเพราะเหตุอะไรเพราะใจมันเศร้าหมองใจนิใจของเราไม่สะอาดใจของเราไม่โปร่งใสมันมองถูกข้างนอกมันก็มองมองรับได้แต่ถ้าว่าเราเป็นผู้ภาวนาพยายามชาระใจของเราเองมองแล้วมัจะขวางทันทีเลยมันขวางเลย มันขวางทำทำคือต้องการความสะอาดต้องการความเรียบร้อยสะอาดสะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดพื้นที่ที่เราอาศัยแต่ถ้าว่าพวกเรามองไปที่ผมเห็นแล้วอืพระไม่มีกิ จ, จวัตรข้อวัดพระทําไมขี้เกียจปฏิบัติเหล่านี้ผมก็ได้คิดอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้หมู่พวกเพื่อนทุกองตรหนักไว้นะเรื่องปฏิบัติทําความสะอาดเป็นหน้าที่ของพวกเราท่านทั้งหลายในอยู่ในวัดวาศาสนาต้องสะอาด ห้องน้ำห้องท่าก็ช่วยช่วยกันดูอย่าให้ขาดตกบกพ่องผมมิจะบอกกล่าวหมู่พกเพื่อนแล้วก็ช่วยช่วยกันผู้น้อยผู้ใหญ่ต้องช่วยกันดูอันนี้ก็คือกิ จ, จวัตรประจำวันเรามาชาลาเวลาไหนเวลาเท่าไหร่ก็บอกกล่าวกันถ้าองค์ไหนมาช้าพระระดับไหนองค์ไหนถ้ามาช้าพวกท่านทั้งหลายพร้อมที่จะบอกกล่าวตักเตือนกัน ถ้าพวกเราไม่กล่าวไม่ตักเตือนกันใครจะเป็นคนว่ากล่าวตักเตือนถ้าว่ากล่าวตักเตือนแล้วไม่ยอมรับฟังหรือไม่ฟังอันนั้นต้องมาบอกผมผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าผมจะต้องได้พูดจะต้องได้จัดระเบียบให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินยัยต้องอยู่ในกฎระเบียบของวัดผมจะต้องได้พูดพูดฟังหรือไม่ฟังจุดนั้นจะต้องว่ากันไปอีกในระดับต่อไปอันนี้คือกิจวัตร ขอให้ผูกเพื่อนฟังไว้ฟังไว้คํานี้เนะี่ยเพื่อการศึกษาของพวกท่านต่อไปพวกท่านทั้งหลายจะเป็นผู้ใหญ่ในเมื่อเป็นผู้ใหญ่พวกท่านทั้งหลายก็กล้าพูดกล้าแสดงเพราะได้ยินจากผมไปแล้วผมก็ได้ยินจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตามมาแล้วเพราะฉะนั้นผมจึงกล้าพูดผมไม่ได้จะทกสะทานว่าการพูดของผมเป็นการพูดที่ผิดไม่ถูกต้องไม่ใช่ผมรับรองเลยว่าผมได้ศึกษามาอย่างนี้ เพราะนั้นผมจึงกล้าพูดให้พวกท่านได้ยินได้ฟังในเมื่อพวกท่านเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาพวกท่านก็จะต้องได้นําแนวปฏิปทาหรือ ว, ว่แนวคําพูดของผมหรือของครูบาอาจารย์สืบเนื่องกันไปจะดํารงทรงศาสนาอยู่นานเท่านานแต่พวกท่านทั้งหลายต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างไม่กล้าพูดกันเพราะตัวเองก็ศึกษาแบบเลอะเะเถอะเลอะเลเลือนเนไม่จริงไม่จังในสมัยตัวเองอยู่ก็ไม่ปัดไม่กวาด ใบไม้เกือบจะท่วมหัวอยู่แล้ว อ, อะไรก็ลกลุงลังไปหมดแล้วจะกล้าบอกใครไม่กล้าบอกใครทั้งหมดเพราะอะไรเพราะตัวเองก็ททำมาแบบไม่มีกิ จ, จวัดข้อวัดสิ่งเหล่านี้จะทำทำอะไรทำตัวเองเสียหายตนเองใช่ไหมมันไม่ใช่นะเสียหายวงการเสียหายพระพุทธศาสนาเราต้องมองไปถึงนู่นเพราะพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้า ท่านแนะนำสั่งสอนอย่างไรให้พวกเราประพฤติปฏิบัติตนอย่างไรถ้ามันเสียเรามัน่อ ย, อยังชัว่วเนเสียเราใครจะรู้จักพระกอพระข อ, พร ะ, ขอพระงอพระตอนตายไปแล้วหายไปแล้วไม่มีใครสืบสอบแต่พระพุทธศาสนาเนี่ถ้าองคไหนทาลงไปแล้วมันเป็นมนตินอยู่ในถินนั้นแ ล, ล้วขึ้นมากันในพระองค์นั้นชื่ อ, อยางนั้นทาให้เสียหายพระพุทธศาสนา ไม่เป็นที่รักเคารพนับถือเรื่มสายเลยทำตนอย่างนั้นเสียหายมันเสียหายใครไม่ได้เสียหายพระโอน้นก็หายไปแล้วนายนั้นหายไปแล้วแต่ว่าชื่อเสียงและเกียรติศัพท์อยู่ในการกระทาของพวกเราท่านทั้งหลายนะยังอยู่ในวัดวาสานาอยู่เสียหายซึ่งเหล่านี้พวกาท่านทั้งหลายพวกเราทั้งหลายต้องช่วยกันคิดนะอันนี้ก็คือกิจวัตรรวมการดารงรงศนา ของพวกเราและต่อไปก็เรื่องจิตตภาวนาการภาวนาผมก็ย้าให้พวกเราอยู่เสมอว่าพวกเรามาอยู่ณสถานที่นี้กิจจะวัดข้อวัดเรื่องตักน้ำขนน้ำไม่มีมีแต่เรื่องปัดกวาดทำความสะอาดาลาดูแลไม่หนักหนาถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายยังประพฤติให้ย่อหย่อนยังทำตนให้ดีไม่ได้ในขณะนี้ผมก็ไม่รู้ว่าพวกท่านจะอยู่ในศาสนาเพื่อดารงทรงศาสนา ไปด้วยดีได้อย่างไรเพราะกิจวัตรขนาดนี้พวกท่านทั้งหลายยังอ่อนแอปวกเปียดเราคิดดูชีวิตของครวาตญาติโยมเขาสิเขาหาเลี้ยงชีพเขาลําบากขนาดไหนเผอๆพวกท่านทั้งหลายเคยผ่านครวาตมาแล้วพวกเราคงจะรู้ว่าการนาลงทรงครวาตมานั้นเป็นอย่างไงแต่พวกเรามาอยู่ในศาสนาจะมาอยู่นอนอยู่นอนกินนอนจมนอนใจมาหาสแสวงหาความสุขเลี้ยงร่างกาย ตัวเองเพียงแค่นี้เหรอถ้าคิดว่าเพียงเลี้ยงร่างกายทรงนั้นเลี้ยงเท่าไหรก็ไม่หนุ่มไปหน้าหรอกมีแต่จะแก่แล้วก็ถึงจุดจบคือความตายไม่มีทางที่จะเลี้ยงให้หนุ่มสวยงามไปข้างหน้าได้พวกท่านทั้งหลายต้องคิดหลักของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนอย่างไรท่านสอนเรื่องจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญในการบวชของเราที่อยู่ป่าอย่างนี้เช่นนี้เราอยู่ป่า เพื่อปฏิบัติเพื่อบำเพ็ญสมาธิภาวนาสินสมาธิปัญญาสินของเราอย่าให้ขาดตกปกพ้องที่ผมพูดทั้งเบื้องต้นทั้งหมดนั่นแหละคือกดระเบียบคือสินส่วนสมาธิเราต้องมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นดูตามลําพังวัดของเราเนี่ยดูสิกว้างขนาดไหนกุฏิอยู่ห่างไกลกันกุฏิหลังไหนที่ไม่มีใครอยู่ เราจะไปปัดกวาดทำความสะอาดแล้วก็ไปเปิดกุญแจทำความสะอาดก็ไล่มดอะไรออกจากนั้นเรานั่งภาวนาวันละกี่ชั่วโมงวันหนึ่งหนึ่งทดลองนะซิการภาวนาต้องมีหนักมีเบาไม่ใช่ว่าอยู่วันไหนก็เท่าเก่าละเลือนไปเรื่อยๆไม่ใช่อย่างนั้นบางครั้งเราต้องหนักแน่นต้องนั่งภาวนาต้องนั่งนานๆบังคับตัวเองให้นั่งนานสีห้าชั่วโมงสองสามชั่วโมง ห้าหกชั่วโมงทดลองหนสินั่งดูสิมันเป็นอย่างไงมันสู้กับเวทนาไม่เวทนามันเกิดขึ้นเราจะทําวิธียังไงถ้าเวทนาหนั ก, นกถึงข้าจวนเจียนเราจะตายมันหนักกว่านี้เราจะสู้ได้อย่างไรนี่แหละเป็นการต่อสู้เวทนาในการนั่งภาวนาถ้าพวกท่านทั้งหลายทําอยู่อย่างเนี้ยเป็นวันวันไปความเชื่อมั่นในพุทธศาสนาความเชื่อมั่นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า ความเชื่อมั่นในพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกท่านก็ไม่มีเพราะพวกท่านไม่ได้ทำจริงจังและจริงใจทําแบบโลโลเลยแหล ะ, ละเพอ้อเพลกับเหมือนกับคนขี้เกียจ เ, เขาทําไร่ทาํานาตํารั้วทําสวนไปขุดแร่เงินแร่ทองแร่เพชรนินจินดาตัวเองก็ไปทําเดินไปเดินมาโลโลเลยเอ๊ะไม่มีหรอกแล้วก็จบไอ้คนที่เขารวยเขาก็รวยเขาที่ได้เขาก็ได้แต่ตัวเองมาทําโลเละๆๆแหละเพ้อเพลยังเสียกฎระเบียบเสียกฎระเบียบเสียหลักพระธรรมวินัย ไปอีกเพราะไม่มีศรัทธาเพราะความไม่เชื่อมั่นเพราะไม่เชื่อในธรรมคาสอนเพราะไม่เชื่อในธรรมคําสอนที่พ่อแม่กูบายอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนให้สิ่งเหล่านี้พวกท่านทั้งหลายต้องหนักแน่นต้องเอาจริงเอาจังในการประพฤติปฏิบัติทดลองลิตั้งนาฬิกาดูเลยอันดับแรกข้าพเจ้าจะนั่งสามชั่วโมงปิดประตูใส่กรอนแล้วก็นั่งเลยไม่ต้องพิงอะไรทั้งหมด นั่งภาวนาเอากลางวันบางทีเอาไปนั่งให้มันถูกแดดแดดสองอีตังอะมันจะร้อนขนาดไหนทูต้องซิถ้าเรานั่งได้นั่นแหละเวทนาจุดนี้มันจะจนตัวสัตว์นะฮ <c oughs> ก็ไม่ถึงกับตายหรอกแต่มันก็ปวดอย่างสุดๆแต่ถึงยังไงเราจะได้รับผลในเมื่อเราทำขนาดนั้นแล้วทําต่อหลายครั้งหลายหวนเข้าไปเราจะเรียนรู้เรื่องของใจเรื่องของกาย เรื่องของใจเรื่องของกายเรื่องของกายเรื่องของใจคนที่สุดใจของเราเองไปสัมผัสไปรับรู้ในเรื่องของกายจากนั้นพิจารณากายก็เห็นกายได้ชัดเจนเพราะเหตุอเพรพะมันเวทนาตัวที่มันเล่นงานกับเราแล้วจากนั้นก็เห็นดูเห็นใจเพราะนั้นจะปล่อยวางที่ตรงไหนจะทำความใจที่ตรงไหนร่างกายสังขารจยางไงก็ต้องแตกตายสลายแน่นะใจนะไม่ใช่ของเราแน่ๆนะใจนะ เด้นมันจะเห็นได้ชัดเจนจากนั้นก่อกิเลสภายในใจของเราเราก็มองเห็นอีกกิเลสราคะโทสะโมหะความนึกคิดปรุงฟุ้งซ่านของจิตของใจเราจะเห็นได้อีกต่างหากผลนิสุดก็เห็นความอนิจจังของไม่เที่ยงของกายความไม่เที่ยงของใจเป็นอนิจจังเป็นทุกข์ใจที่มันไม่เที่ยงร่างกายที่มันไม่เที่ยงสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่ ง, งนั้นเป็นทุกข์สิ่งไหนเป็นทุกข์สิ่ ง, งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะผลนิสุดมันจะเห็นใจตนเอง เพรเห็นใจมันจะปล่อยวางที่ไหนปล่อยวางที่ใจทหารไม่ได้ต้องหาที่ไหนไม่ได้หาทางนอกมันอยู่ที่ใจปล่อยวางที่ใจรู้จริงรู้แจ้ ง, จงเห็นจริงที่ใจหลุดพ้นที่ใจนี่แหละขอให้มพวกเพื่อนทุกองนะเข้ามาศึกษาในหลักของพุทธศาสนาอย่าทำหลอเลาะแหละเป็นวันๆข่าวจริงจังต้องจริงจังข่าวจริงใจต้องจริงใจเราจะอดอาหารเราจะอดยังไงเมื่ อ, ออดแล้วเราจะไม่พูดไม่คุยไม่สนทนากับใคร วางตัวให้เป็นอิสระอยู่ในตามลาพังดูใจคนตนเองเวลาเรานั่งภาวนานดูใจคนตนเองช่วงไหนที่เราจะเดินโยงกรมเดินทั้งวันเดินตลอดทั้งวันเดินสิเดินโ ย, นยงกรมบังคับให้มันอยู่กับตัวเองอย่าให้มันปงฟุ้งไปทางอื่นนี่แหละการภาวานามันต้องบังคับนะไม่ใช่ตามเพลย์ใจตามอัธาใจใปล่อยปะละเลยปล่อยช้างให้อยู่ใน ป, ป่าดวงคงไปปล่อยช้างให้ช้างอ้วนช้างผี ปล่อยจิตปล่อยใจก็มีตะกิ้เ ล, ละราคาโทสะโมหนะอยู่ในจิตใจมาลง ม, มาตุ้มผลที่สุดก็บอกมากว่าข้าพเจ้าร้อนใจหาความสุขไม่ได้มันจะหาความสุขได้อย่างไงเพราะใจเราส่งออกนอกตลอดไปล่ำเวลาไม่มีการบังคับใจของตนเองเลยจะหาความสุขได้ที่ไหนพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้านะองค์ไหนที่ปล่อยใจและท่านพ้นทุกมีไหมพวกท่านทั้งหลายอ่านดูสิในตำรามีแต่บังคับใจของตนเองเท่านั้นนะเข้าเข้าอยู่ในกรอบ เมื่อบังคับใจตนเองนั่นแหะเราจะรู้แจ้งเห็นจริงจะเห็นจริงในธรรมเตั้งแต่นั่งสมาธิเป็นต้นไปเราต้องบังคับใจของตนเองถ้าไม่บังคับใจของตนเองแล้วอย่าหวังเลยที่จิตใจของตัวเองจะเป็นสมาธิจิตใจของเราจะสงบเป็นสมาธิได้นั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับพวกหมู่พวกเพื่อนทุกองนะให้เข้มแข็งอดทนเพื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ แล้วนำมาปฏิบัติทำคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านสอนว่าเป็นความจริงทั้งนั้นที่ท่านผ่านมาแล้วท่านจึงมาสอนเราตอนนี้ไปสวดท้ายปฏิโมก